ไปอยู่ด้วยกันในฝันตอนนั้นไม่รู้อะไรยังไงเนี่ะเขายื่นมือมาแล้วก็เอ่ยปากชวนบอกว่าปไปอยู่ด้วยกันในฝันตอนนั้นไม่รู้อะไรยังไงนี่ะก็จับมือเขาแล้วก็เดินไปด้วยกันแต่รู้สึกนะะี่ะว่ายิ่งเดินไปมันก็ยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆ